ประกอบที่เกื้อหนุนสมาธิข้อที่4คณะทำงานของปัญญาคำว่าสนามปฏิบัติการของปัญญาในที่นี้หมายถึงหลักธรรมชุดที่เรียกว่าโพชงโพชงเป็นทั้งธรรมะเกื้อหนุนในการเจริญสมาธิและเป็นที่ใช้สมาธิเพื่อประโยชน์ที่สูงขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุด คือวิชาและวิมุตติโพชฌงมีเจ็ดข้อคือสติธรรมวิจัยหรือธรรมวิจยะวิริยะปิติปัสสธิคือความผ่อนคลายสงบเย็นกายเย็นใจสมาธิและอุเบกขามีพุทธพจน์จำกัดความหมายของโพชฌงไว้สั้นๆว่า เพราะเป็นไปเพื่อโพธะคือความตรัสรู้ฉะนั้นจึงเรียกว่าโพชงอัตถคถาเช่นในวิสุทธิมัคและสังยุตตนิกายอัตถคถาแปลาตามรูปสัพ์ว่าองคุณของผู้ตรัสรู้หรือผู้จะตรัสรู้บ้างองค์ประกอบของการตรัสรู้บ้างว่าโดยหลักการ โพชฌงเป็นธรรมะฝ่ายตรงข้ามกับนิวรห้าจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องโพชฌงไว้ควบคู่ไปด้วยกันกับนิวรเป็นส่วนมากโดยฐานทำหน้าที่ตรงข้ามกันแม้คําบรรยายคุณลักษณะต่างๆของโพชฌงก็เป็นข้อความตรงข้ามกับคําบรรยายลักษณะของนิวรนั่นเองดังเช่นพุทธพจน์ว่า ภิกษุทั้งหลายโพชฌงเจตนี้ไม่เป็นเครื่องปิดกัน้นไม่เป็นนิวรณไม่เป็นอุปกิเลสแห่งจิตเมื่อเจริญแล้วทำให้มากแล้วยอมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตติอีกแห่งหนึ่งว่าภิกษุทั้งหลายโพชฌงเจตนี้เป็นธรรมะให้มีจักสุ ทำให้มีญาณส่งเสริมความเจริญแห่งปัญญาไม่เป็นข้างความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานและอีกแห่งข้อความเหมือนกันเปลี่ยนเฉพาะคำว่าไม่เป็นอุปกเกสแห่งจิตเป็นไม่ขึ้นกดทับจิตความที่เคยกล่าวมาข้างต้นแสดงชัดอยู่แล้วว่านิวรเป็นสิ่งที่ทำลายคุณภาพจิต หรือทำให้จิตเสียคุณภาพลนานักษณะนี้น่าจะใช้เป็นเครื่องวัดความเสื่อมเสียสุขภาพจิตได้ด้วยส่วนโพชงซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามก็เป็นธรรมะที่ส่งเสริมคุณภาพจิตและช่วยให้มีสุขภาพจิตดีเป็นเครื่องบำรุงและวัดสุขภาพจิตโพชงเจดนั้นมีความหมายรายข้อดังนี้หนึ่ง สติความระลึกได้หมายถึงความสามารถทวนระลึกนึกถึงหรือกลุ่มจิตไว้กับสิ่งที่จะพึงเกี่ยวข้องหรือต้องใช้ต้องทำในเวลานั้นในโพชฌงนี้สติมีความหมายคลุมตั้งแต่การมีสติกำกับตัวใจยอยู่กับสิ่งที่กำลังมองดูพิจารณาเฉพาะหน้าได้แก่สติในการเจริญสติปฐานทั่ ว, วไป จนถึงการหวนระลึกรวบรวมเอาธรรมะที่ได้สดับเล่าเรียนแล้วหรือสิ่งที่จะพึงเกี่ยวข้องต้องใช้ต้องทามานำเสนอต่อปัญญาที่ตรวจรองพิจารณา 2. ธรรมะวิจัยความเฟ้นธรรมหมายถึงการใช้ปัญญาวิจัยสิ่งที่สติกำหนดจับไว้หรือธรรมะที่สติระลึก รวมมานำเสนอนั้นตามสภาวะเชินไตรตรองให้เข้าใจความหมายจับสาระของสิ่งที่พิจารณ า, านั้นได้ตรวจตราเลือกเฟ้นอธรรมะหรือสิ่งที่เกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจหรือสิ่งที่ใช้ได้เหมาะดีที่สุดในกรณีนั้นๆหรือมองเห็นอาการที่สิ่งที่พิจารณ า, านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเข้าใจตามสภาวะ ที่เป็นไตรลักษณ์ตลอดจนปัญญาที่มองเห็นอริยสัจอธกถาให้ความหมายอย่างหนึ่งซึ่งกว้างมากว่าธรรมวิจัยได้แกาา่ญาณคือความอย่างรู้อย่างเห็นที่ประกอบร่วมอยู่กับสตินั้น 3. วิริยะความเพียร หมายถึงความกล้ากล้าเข้มแข็งกระตรือรือร้นในธรรมหรือสิ่งที่ปัญญาเฟ้นได้อาจหาในความดีมีกำลังใจสู้กิจบากบัน่นรุดไปข้างหน้ายกจิตไว้ได้ไม่ให้หดหูทดถอยหรือท้อแท้ 4. ปีติความอิ่มใจ หมายถึงความเอิบอิ่มหลาบลืมปรีเปรมดื่มดทซาบซึง้งช่ำชื่นซาบซ่านฟูใจห้าปัทธิความสงบเย็นกายใจหมายถึงความผ่อนคลายกายใจสงบระงับเรียบรื่นไม่เครียดไม่กระสับกระส่ายเบาสบาย สมาธิความมีใจตั้งมั่นหมายถึงความมีอารมณ์หนึ่งเดียวจิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่กำหนดทรงตัวสม่ำเสมอเดินเรียบอยู่กับกิจไม่วอกแวกไม่ส่ายไม่ฟูงซ่านเจ็ดอุเบกขาความเฉยดูอยู่หมายถึง ความมีใจสงบลงตัวนิ่งเป็นกลางให้ปัญญามองเห็นชัดตรงตามที่มันเป็นไม่เย็นเอียงไม่ยิ่งไม่หย่อนไม่ขาดไม่เกินหรือนิ่งดูไปในเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางหรือดำเนินไปด้วยดีตามแนวทางที่จัดไว้หรือที่มันควรจะเป็นหรือไม่ยังไม่ควรขวนขวายไม่วุ่นวายไม่สอดแสไม่แทรกแซง ทงนิวรณ์และโพชงแบ่งแต่ละข้อออกเป็นสองข้อย่อยรวมเป็นนิวรณ์สิบและโพชงสิบสีคือนิวรณ์ห้าย่อยเป็นสิบได้แก่นิวรณ์ข้อที่หนึ่งแบ่งเป็นกรรมชันภายในคือพรารบขันของตนและกรรมฉันภายนอกคือพรารบขันผู้อื่นนิวรณ์ข้อที่สอง แบ่งเป็นพยาบาทภายในและพยาบาทภายนอกนิวรข้อที่สามแบ่งเป็นถีนะและมิทะนิวรข้อที่สแบ่งเป็นอุทจักและกุกุจจะนิวรข้อที่ห้าแบ่งเป็นวิจิกิจชาในธรรมทั้งหลายภายในและวิจิกิจชาในธรรมะทั้งหลายภายนอก รวมทั้งหมดเป็นสิบข้อโพชฌงเจตย่อยเป็น14ได้แก่โพชฌงข้อที่หนึ่งแบ่งเป็นสติในธรรมะทั้งหลายภายในและสติในธรรมะทั้งหลายภายนอกโพชฌงข้อที่สองแบ่งเป็นวิจัยในธรรมะทั้งหลายภายในและวิจัยในธรรมะทั้งหลายภายนอก พโฉงข้อที่สามแบ่งเป็นวิริยะทางกายและวิริยะทางใจพโชงข้อที่สีแบ่งเป็นปีติมีวิตกมีวิจาร์และปีติไม่มีวิตกไม่มีวิจารพโฉงข้อที่หาแบ่งเป็นกายปัสสติและจิตตะปัสสติพชฉงข้อที่6แบ่งเป็นสมาธิ มีวิตตกมีวิจารณ์และสมาธิไม่มีวิตตกไม่มีวิจารณ์โพชฌงข้อที่7แบ่งเป็นอุเบกขาณิธรรมทั้งหลายภายในและอุเบกขาณิธรรมะทั้งหลายภายนอกท่านกล่าวถึงอาหารและอนาอาหารของนิวรณ์และโพชฌง อาหารคือเครื่องหล่อเลี้ยงกระตุ้นเสริมซึ่งทำให้นิวรณหรือโพชงที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญไพบุญอาณาอาหารได้แก่สิ่งที่ไม่หล่อเลี้ยงไม่กระตุ้นเสริมอาหารของนิวรณได้แก่อโยนิโสมนัสิกาอนอนณาอาหารได้แก่อโยนิโสมนัสิกาน ส่วนอาหารของโพชงได้แก่อโยนิโสมนสิการอนาหารได้แก่การขาดมนสิการอาหารและอนาหารของนิวรห้ามีดังนี้นิวรข้อที่หนึ่งกามฉันมีอาหารคืออโยนิโสมนสิการในสุภานิมิตคือสิ่งที่คิดหมายเอาว่าสวยงาม คือพบเห็นได้ยินสิ่งใดแล้วใจจับเขารูปลกสนะที่ชอบกำหนดหมายหรือคิดวาดเป็นภาพที่สวยงามเอาไว้ในใจอนอาหารของกามฉันคือโยนิโสมนสิการในอสุภานิมิตนิวรข้อที่สองพยาบาทมีอาหารคืออายุนิโสมนาสิการในปฏิคานิมิต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 ตามปกติในกรณีของพยาบาทได้แก่เมตตาแต่จะใช้อัปปมัญญาอื่นๆก็ได้นิวรข้อที่สามนามิธามีอาหารคืออโยนิโสมนศสิกานในความเบื่อซึมเซาเมาอาหารใจหดหูอนาหาร คือโยนิโสมนาสิกานในความริเริ่มก้าวหน้าบากบัน่นนิวรข้อที่สอุทจักกุจจะมีอาหารคือโยนิโสมนาสิการในภาวะหรือเรื่องที่ใจไม่สงบอนาหารคือโยนิโสมนาสิการในภาวะเรื่องราวที่ใจสงบ นิวรข้อที่หวิจิกิจฉามีอาหารคืออายุนิโสมนัสิการในธรรมะคือเรื่องราวซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉาอนาหารคือโยนิโสมณสิการในธรรมะที่เป็นกุศลอกุศลมีโทษไม่มีโทษและอื่นๆ อาหารและอนอาหารของโพชฌงเจตมีดังนี้ 1. สติมีอาหารคือโยนิโสมนาสิการในธรรมะคือเรื่องซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสติ 2. ธรรมะวิจัยมีอาหารคือโยนิโสมนาสิการในธรรมะที่เป็นกุศลอกุศล มีโทษไม่มีโทษและอื่นๆ 3. วิริยะมีอาหารคือโยนิโสมนาสิการในความริเริ่มความก้าวหน้าบากบัน่น 4. ปีติมีอาหารคือโยนิโสมนาสิการ ในธรรมะคือเรื่องซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งปีติหาปัสสธิมีอาหารคือโยนิโสมนาสิการในกายปัสสธิและจิตตปัสสติ6สมาธิมีอาหารคือโยนิโสมนาสิการในสมาธินิมิตในสิ่งที่ไม่ทำให้ใจพระสับสน อุเบกขามีอาหารคือโยนิโสมนาสิการในธรรมะคือเรื่องซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาอนาหารของโพชมก็คือการขาดมนาสิการในสิ่งที่จะทำให้เกิดโพชงข้อนั้นๆธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งสติก็คือ ธรรมะที่เป็นอารมณ์ของสติอธรกขาแห่งหนึ่งว่าได้แก่โพธิปัจิยธรรม37ประการและโลกุตระธรรม9้าแต่ถ้ามองกว้า ง, ก, างก็คือการปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน4ีนั่นเองคำพีวิสุทธิมรรคและสมโมหวินโนทนีแสดงธรรมะที่ช่วยให้เกิดสติอีกสอย่าง คือสติสัมปชัญญะการหลีกเว้นคนสติเละเลือนคบหาคนที่มีสติกำกับตัวดีและทำใจให้น้อมไปในสติสัมโพชงธรรมะที่ช่วยให้เกิดธรรมะวิจัยท่านแสดงไว้อีกเจ็ดอย่างคือความเป็นนักไต่ถามสอบคน้น การทำสิ่งต่างๆให้หมดจดสดใสหรือให้หมดจดสละสลวยเช่นผมขนเล็บตัดให้เรียบร้อยร่างกายอาบน้ำให้สะอาดพานุ่งห่มซักให้สะอาดไม่เหม็นสาบเปื้อนที่อยู่ไม่ให้โรครุงรังเป็นต้นการปรับอินทรีย์ให้เสมอกันการหลีกเว้นคนปัญญาสามการเสวนาคนมีปัญญา การพิจารณาเรื่องที่ต้องใช้ปรีชาลึกซึ้งความน้อมจิตไปในการวิจัยธรรมธรรมะที่ช่วยให้เกิดวิริยะท่านแสดงไว้11ออย่างคือการพิจารณาเห็นภัยต่างๆเช่นภัยอบายคือคอยปลุกใจตัวเองว่าถ้าไม่พยายามจะประสบอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้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 ให้ครบส1ตามที่ท่านแนะนำไว้คือความเคารพในอาหารบิณฑบาตว่าเราจะทำให้เกิดผลมากแก่ทายกทั้งหลายการพิจารณาความยิ่งใหญ่ของพระาศาสดาว่าพระองค์สันเสริญความเพียรเราควรบูชาอุปการะของพระองค์ด้วยปฏิบัติบูชาการพิจารณาภาวะที่ตนควรทำตัว ให้สมกับการที่จะได้รับมรดกคือสัต์ธรรมอันยิ่งใหญ่การบรรเทาถีนามิ่าด้วยวิธีต่างๆเช่นเปลี่ยนอิริยาบถและทำอโลกาสัญญาเป็นต้นหลีกเว้นคนเกียติร้านคบหาคนขยันพิจารณาสมมประธานและทำใจให้น้อมไปในวิริยะ ธรรมะที่ช่วยให้เกิดปีติท่านแสดงไว้อีกสออย่างคือระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณระลึกถึงศีลคือความประพฤติดีงามของตนระลึกถึงการบริจาค ก, การให้การเสียสละที่ตนได้ทำระลึกถึงเทวดาและเทวธรรมที่มีในตนระลึกถึงภาวะสงบคือนิพพาน หลีกเว้นคนมัวสัวมองเศร้าเสวนาคนแจ่มใสพิจารณาพระสูตรที่ชวนเลื่อมใสและทำใจให้น้อมไปในปีติธรรมะที่ช่วยให้เกิดปัสสธิท่านแสดงไว้อีกเจ็ดอย่างคือเศพโภชนะอันปราณีต เสพ บ, บรรยากาศที่สุขสบายเศพอิริยาบทที่สุขสบายประกอบความเพียรพอปานกลางหลีกเว้นคนมีลักษณะเครียดประศัก์กระส่ า, ายเสวนาคนที่มีลักษณะผ่อนคลายสงบทำใจให้น้อมไปในปัสสถธิธรรมะที่ช่วยให้เกิดสมาธิ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 ไม่พึงเข้าใจว่าสลดหดหูแต่หมายถึงอาการกลับได้คิดหรือเกิดแรงโดนใจที่จะเร่งทำสิ่งดีงามตรงกับคำว่าสมุตเตชนะซึ่งแปลว่าเราให้กล้าตรงข้ามกับงอยก่อยเมื่อจิตดำเนินไปถูกต้องดีแล้วก็วางทีใช้อยู่คือเป็นอุเบกขา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 ส่งผลต่อเนื่องดังตัวอย่างการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ซึ่งอัตถกถาว่าโพชฌงเจ็ดข้อในกรณีนี้เป็นในขณะจิตเดียวกันสรุปเป็นแนวความได้ว่าภิกษุได้เล่าเรียนสนับธรรมหรือคำสอนของท่านผู้รู้ผู้ทรงคุณแล้วปลีกกายปลีกใจได้โอกาสเหมาะ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 พิจารณาจัดจำแนกแยกแยะสืบสาวไปด้วยเป็นอันได้เจริญธรรมะวิจัยสัมโพชงสมเมื่อใช้ปัญญาเลือกเฟ้นไตร่ตรองสอบสวนพิจารณาก็เป็นอันได้ใช้ความเพียรยิ่งเลือกเฟ้นมองเห็นความเข้าใจชัดขึ้นหรือลึกลงไปได้สาระคืบหน้า ก็ยิงคึกคักมีกำลังใจอยากเดินหน้าต่อไปกระตือรือร้นแข็งขันเพียรพยายามไม่ย่นย่อเป็นอันได้เจริญวิริยะสามโพชง 4. พร้อมกับที่ระดมความเพียรเอาจริงเอาจังมีกำลังใจเข้มแข็งรุดหน้าก็เกิดปีติที่เป็นนิรามิตร เป็นอันได้เจริญปีติสัมโพชฌงค์ห้าเมื่อใจปีติทั้งกายทั้งใจก็ผ่อนคลายสงบเกิดกายปัสสธิและจิตตปัปสธิเป็นอันได้เจริญปัสสติสัมโพชฌงค์หกเมื่อกายผ่อนคลายสงบมีความสุข จิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นอันได้เจริญสมาธิสัมโพชงเจ็ดเมื่อจิตตั้งมั่นแนวอยู่กับงานของมันหรือทมกิจของมันได้ดีแล้วใจก็เรียบเข้าที่เพียงแต่วางทีเฉยดูไปหรือนิ่งดูไปสบายพอดีเมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นอันได้เจริญอุเบกขาสัมโพชง พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักไว้ดังที่เคยยกมาให้ดูแล้วว่าสติปัฏฐานสี่เป็นอาหารหล่อเลี้ยงโพชฌงเจตและสติปัฏฐานสี่นั้นเมื่อได้เจริญทําให้มากแล้วย่อมยังโพชฌงเจตให้บริบูรณ์โพชฌงเจตเมื่อเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมยังวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ ตามปกติตรัสต่อจากการเจริญอาณาปณสติสมาธิดูตัวอย่างที่มัชิมานิกายอุปริปันธาและในสังยุตนิกายมหาวรารวักนี่ก็คือว่าการเจริญสติปฐานเป็นการสร้างฐานปฏิบัติการให้คณะของโพชงมาลงสนามทำงานวิธีเจริญสติปฐานสี่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 การปฏิบัติตามโพชฌงข้ออื่นๆก็จะดาเนินไปตามลำดับอย่างที่กล่าวแล้วข้างต้นช่วยนำให้สู่วิ ช, ชาลาบิมุติในที่สุดแม้แต่ในเวลาฟังธรรมถ้าตั้งจิตมนาสิการทุ่มเทให้อย่างหมดใจเงียโสดลงสดับในเวลานั้นนิวรณห้าก็ไม่มีและโพชฌงเจ็ดก็จเจริญเต็มบริบูรณ์ได้ โคชงเจ็ดนี้จะเจริญโดยปฏิบัติพร้อมไปกับข้อปฏิบัติอื่นๆทั้งหลายก็ได้เช่นปฏิบัติพร้อมไปกับอาณาปานสติพร้อมไปกับอปามัญญาหรือพรหมวิหารสี่และสัญญาต่างๆเช่นอนิจจสัญญาอสุภาสัญญาวิราคะสัญญาและนิโรธาสัญญาเป็นต้นและจะช่วยให้ข้อปฏิบัติเหล่านั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ เพื่อความโปรงปลอดรอดภัยอย่างมากเพื่อความสังเวชคือปลุกเร้าให้กระตือรือร้นในกุศลธรรมเป็นอย่างมากเพื่อผาสุกวิหารคือความอยู่ผาสุกเป็นอย่างมากในการปฏิบัติต่อจิตของตนที่เป็นไปต่างๆท่านก็ให้นําโพชง ม, มาใช้ด้วยและหลักการในเรื่องนี้ สามารถนำมาใช้ประคับประคองจิตที่ยังใหม่ต่อสมาธิให้มีสมาธิกล้าแข็งยิ่งขึ้นขอยกพุทธพจน์จากสังยุตตนิกายมหาวาราวักมาให้ดูดังนี้ภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตอดหูสมัยนั้นมีใช้การสำหรับเจริญปัสสิสัมโพชงสมาธิสัมโพช ง, พชงอุเบกขาสัมโพชง ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าเจตที่หดหูนั้นยากที่จะให้ฟื้นขึ้นได้ด้วยธรรมะเหล่านั้นเปรียบเหมือนว่าบุรุษต้องการโหมไฟกองเล็กให้ลุกโผลงเขาใส่หญ้าสดโคลไม่สดไม้สดลงไปสาดน้ําเข้าไปแล้วโรยฝุ่นลงไปในไฟนั้นบุรุษนั้นจะสามารถโหมไฟกองเล็กให้ลุกโผลงขึ้นได้หรือไม่ ทูลตอบว่าไม่ได้เลยสมัยที่จิตหดหูก็ฉันนั้นเหมือนกันสมัยได้จิตหดหูสมัยนั้นเป็นการสำหรับเจริญธรรมวิจัยสัมโพชงวิริยะสัมโพชงปีติสัมโพชงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าจิตที่หดหูนั้นหลบให้ฟื้นขึ้นได้ง่าย ด้วยธรรมะเหล่านั้นเปรียบเหมือนว่าบุรุษต้องการโหมไฟกองเล็กให้ลุกโลงเขาใส่หญ้าแห้งโคไม้แห้งไม้แห้งลงไปเป่าลมเข้าและไม่โรยฝุ่นลงไปในไฟนั้นบุรุษนั้นจะสามารถโหมไฟกองเล็กให้ลุกโลงขึ้นได้หรือไม่ทูลตอบว่าได้อย่างนั้นสมัยที่จิตหดหู่ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นไม่ใช่การสำหรับเจริญธรรมวิจัยสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงปิติสัมโพชฌงคข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นยากที่จะให้สงบได้ด้วยธรรมะเหล่านั้นเปรียบเหมือนว่าบุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่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 สมาธิสัมโพชงอุเบกขาสัมโพชงข้อนั้นเพราะเหตุไรเหตุเพราะว่าจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นให้สงบได้โดยง่ายด้วยธรรมะเหล่านั้นเปรียบเหมือนว่าบุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่เขาใส่หญ้าสดโคไมสดไม้สดลงไปสาดน้ำเข้าไปแล้วโรยฝุ่นลงในไฟนั้น บุรุษนั้นจะสามารถดับไฟกองใหญ่ลงได้หรือไม่ทูลตอบว่าได้อย่างนั้นสมัยที่จิตฟุ้งซ่านก็ฉันนั้นเหมือนกันส่วนสติเรากล่าวว่ามีประโยชน์ในทุกกรณีโพชงเจ็ดนี้ ในบาลีท่านแสดงเป็นความหมายของภาวนาประธานคือความเพียรในการทำให้เกิดกุศลธรรมและเป็นยอดของประธานนะหรือประธานทั้งหลายเป็นภาวนาพละเป็นวิธีกาจัดอาสวะด้วยภาวนาเป็นกรรมชนิดไม่ดำไม่ขาวซึ่งเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเป็นอปริหานิยธรรม คือธรรมะที่เป็นไปเพื่อความเจริญทายเดียวไม่มีเสื่อมเลยและเป็นมรรคาให้ถึงอสังขตะคือนิพพานเช่นเดียวกับโพธิปัจิยธรรมอย่างอื่นๆอันหนึ่งพึงสังเกตว่าเฉพาะธรรมะวิจัยสัมโพชงในมัชฌิมานิกายอุปริปันนาท่านถือเป็นความหมายหนึ่งของสมาธิิ ที่เป็นโล ก, กุตระและในคุตการนิกายมหานิเทศท่านถือเป็นโพธิ